อะไรแต่ฉันยังคงมีเธอมองทางไหนเธอไม่เคยจะไปไกล h <Hey. Five. S 1> คิดว่ายังไว้ตาโลกมันกลับหยุดหมุนเหลือเอาไว้ตาแค่ฉันและเธอตรงนี้ไม่เท่าไรแต่ฝันมันกลับยิ่งไกลแต่จะมองมองเข้าไป ลองไปที่ฉนใจแต่ <S <S 1> <S 1> คิดอยู่อย่างนั้นเราจะฝันเพื่ออะไรกรัวจะผิดหวังอย่างใครเขาไม่กล้าจะลองเดินออกไปเพราะมองจากไหนก็ไม่มีทิสายหรือความไม่ดี <S <S อยากจะย้อนกลับไปกับหลังไปแบบคนแพ้แล้ววันนี้ยังมีเธอคนนี้ต่อให้มีแดดหรือฝนจากฟ้าแต่เธอมีอะไรให้ฉันเสมอ Keep it up! Keep it up! Yeah! Yeah! กับบาทไม่ได้กว่าเท่าไรมีซ้อวันนี้ถ้าไม่ได้อีกแล้วสิชาก้อยก็พูดไปก็พอชีวิตมันไม่ต้องใช้ที่เสีีให้ทีไปทั้งปีไม่ได้ลองใช้จะรู้ได้ไงมันต้องเชียงกะได้เข้าใจคิดอยู่อย่างนั้นเราเราจะฝันเพื่ออะไรกพระจะผิดหวังอยากให้เขาไม่กล้าจะลองเดินออกไปพราะมองทางไหนก็ไม่มีทิศสายหรือความไม่ดีอยากจะย้อนกลัไปกับหลังไปแบบคนแพ้ 山。 ในทุก